พระพุทธคุณในแง่คุณธรรมข้อที่สพระกรุณาคุณอาศัยพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จออกประกาศพระศาสนาพระสัสพพสัตทําให้พระคุณสองอย่างแรกคือพระปัญญาคุณและพระวิสุทธทิคุณเป็นที่ปรากฏและเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างแท้จริง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 ไม่ทรงดำ m ริเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่ทรงดำ m ริเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายทรงดำ m ริแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งปวงอีกแห่งหนึ่งมีมาในสลายตนะวิพังคสูตรความว่า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 แต่เหล่าสาวกของศาสดานั้นย่อมไม่ตั้งใจฟังไม่เงียบโสดลงสดับไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดานในกรณีนั้นตถาคตจะได้มีความยินดีก็หาไม่จะได้บังเกิดความพึงพอใจก็หาไม่ทั้งจะได้ขัดเคืองขุนมัวก็หาไม่ย่อมมีสติสัมปชัญญะดำรงอยู่ ส อ, อีกประการหนึ่งเหล่าสาวกของศาสดานั้นบางพวกก็ไม่ตั้งใจฟังบางพวกย่อมตั้งใจฟังเงียโสดลงสะดับตั้งจิตรับรู้ไม่ประพฤติเคลื่อนคลาดจากคำสอนของศาสดานในกรณีนั้นตถาคตจะได้มีความยินดีก็หาไม่จะได้บังเกิดความพึงพอใจก็หาไม่จะได้มีความไม่พอใจก็หาไม่ จะได้บังเกิดความไม่พอใจก็หาไม่ตัดได้ทั้งความพอใจและความไม่พอใจทั้งสองอย่างเป็นผู้อุเบกขามีสติสัมปชัญญะดำรงอยู่ 3. อีกประการหนึ่งเหล่าสาวกของศาสดานั้นทั้งหมดยอมตั้งใจฟังเงียโสงลงสดับตั้งจิตรับรู้ ไม่ประพฤติเคลื่อนคลาดจากคำสอนของศาสดาในกรณีนั้นตถาคตย่อมเป็นผู้ชื่นชมบังเกิดความพึงพอใจแต่ก็หากระหยิมเหิมใจไม่ย่อมมีสติสัมปชัญญะดำรงอยู่จากข้อความตอนนี้พึงสังเกตด้วยว่าความกรุณาที่แสดงออกอย่างได้ผลดีนั้น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 อังคุตระนิกายสัตการนิบาทซึ่งมีเจ็ดประการดังต่อไปนี้ 1. ่ปีโยน่ารักในฐานเป็นที่วางใจและรู้สึกสนิทสนม 2. เคาร่าเคารพในฐานให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่พึ่งได้และปลอดภัย 3. ภาวนิโย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 และสามารถรับฟังได้ด้วยความอดทนไม่เบื่อ 6. คคำพีรันจะกระถังกระตากล่าวชี้แจงถแถลงเรื่องต่างๆที่ลึกซึ้งได้ 7. โนจตตาฐาเนนิโยชเนไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสียพึงสังเกตไว้นะที่นี้ด้วยว่า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 พึงระลึกถึงฐานะของผู้สอนอันสัมพันธ์กับความตอนนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอัขาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นผู้บอกทางให้ในขุทกานิกายธรรมบทแล้วเรื่องที่ส่งแจงแก่พราามว่าพระองค์เป็นเพียงผู้ชี้ทางในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาด้วย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 ภูเรพัทธกิจพุทธกิจภาคเช้าหรือภาคก่อนอาหารได้แก่ทรงตื่นบรรทมแต่เช้าสเสด็จออกบินทบทสวยแล้วทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนในที่นั้นๆเสด็จกลับพระวิหารรอให้พระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วสเสด็จเข้าพระคันธกุฎี 2. ปัชชาพัตตะ พุทธกิจภาคบ่ายหรือหลังอาหารระยะที่หนึ่งสเสด็จออกจากพระคันธกุดีทรงโอวาทภิกษุสงฆ์เสร็จแล้วพระสงฆ์แยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆพระองค์สเสด็จเข้าพระคันธกุดีอาจทรงบรรทมเล็กน้อยแล้วถึงระยะที่สองทรงพิจารณาตรวจ ด, ดูความเป็นไปของชาวโลกระยะที่สาม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 ขอให้ทรงแสดงธรรมบ้างทรงใช้เวลาตลอดยามแรกนี้สนองความประสงค์ของพระสงฆ์ 4. มัชชิมยามกิจพุทธกิจในมัชชิมยามเมื่อพระสงฆ์แยกย้ายไปแล้วทรงใช้เวลายามที่สองตอบปัญหาพวกเทวดาทั้งหลายที่มาเฝ้า 5. ปัตติมัยยามกิจ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 ในวันต่อไปมีบุคคลผู้ใดที่ควรเสด็จไปโปรดโดยเฉพาะเป็นพิเศษเมื่อทรงกำหนดพระไทยไว้แล้วก็จะเสด็จไปโปรดในภาคพุทธกิจที่หนึ่งคือปุเรภัตกิจในสุตตานิบาตอธาธาธาัตฐคถาคือคำพีปรมัตโฉติกาท่านแบ่งพุทธกิจไว้เพียงสองอย่างคือปุเรภัตกิจกับปัจฉาพัตกิจ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 หม่อมชั้นมีความคิดว่าน่าอัศจรรย์แท้ไม่เคยมีมาก่อนเลยนายช่างเหล่านี้กินอยู่ของเราถึงกระนั้นเขาจะได้มีความเคารพนอบนอบในเราเหมือนในพระผู้มีพระภาคก็หาไม่คนทั้งสองนี้คงจะได้รู้สิ่งที่เป็นคุณความดีพิเศษยิ่งกว่าเดิมในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นแน่แม้ข้อนี้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 และเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง 2. สง่สงรู้เข้าใจสิ่งที่ทรงสอนอย่างทองแท้สมบูรณ์ 3. ส่สงสอนด้วยพระเมตตามุ่งประโยชน์แก่ผู้รับคำสอนเป็นที่ตั้งไม่หวังผลตอบแทน 4. ี่สงทำได้จริงอย่างที่ทรงสอนเป็นตัวอย่างที่ดี